พืชต่างๆถ้าจะลึกไปตามสถานที่ต่างๆบางองค์บางท่านอาจจะเปลอเดินข้ามทุ่งนาแล้วก็ไปเหยียบย่ำทำลายพืชที่ชาวนาชาวไร่ได้ปลูกเอาไว้สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ชาบ้าน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 แต่ความจริงก็อยากจะออกจากที่เก่าไปเหมือนกับนกที่ถูกขังอยู่ในกรงนานๆก็อยากจะออกไปจากกรงบ้างบางทีการไปจาร็กนี้ไม่ได้ไปเพื่อการไปภาวนาแต่การไปเพื่อตอบสนองการมันัะนทะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตบะจึงมี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 แบบบินาบาศเสร็จกลับมาฉันองค์เดียวเดียวเดียวก็ฉันเสร็จฉันเสร็จนั่งบาศเสร็จก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลรักษาทําความสะอาดมากก็จะสามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างรวดเร็วนะครับเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทั้งวัน จนถึงเวลาเย็นก็ส่งนง้ำปัดกวาดบริเวณที่พักซึ่งไม่ไม่มีอะไรมากมเสร็จแล้วก็สามารถพำนาต่อได้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนพอพักผ่อนหลับนอนเสร็จตื่นขึ้นมาประมาณสี่ห้าชั่วโมงต่อมา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 ความคิดตรงแต่งก็จะไม่มีมากเพราะไม่มีเหตุที่ทำให้ต้องคิดตรงแต่งก็สามารถคิดไปในฐานธรรมได้พิจารณาตายรักได้อย่างต่อเนื่องพิจารณาตายรักของร่างกายเช่นเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไสอาการ32ของร่างกาย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 ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะและน้ําต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้าเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ําสะเลน้ําเหงื่อน้ําตาน้ํามันข้นน้ําลายน้ํามูกน้ํามันเหลวน้ําไข่ข้อน้ํามูดอันนี้เป็นส่วนที่เป็นส่วนเหลวของร่างกาย ส่วนแข็งก็อย่างที่ได้แสดงไว้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32ที่มารวมตัวกันให้เป็นรูปเป็นร้างรับได้รับสมมุตินิยมเรียกว่าเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างมีชื่ออย่างนั้นบ้างมีชื่ออย่างนี้บ้าง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 เห็นแล้วก็แม่รู้ว่าตนเองก็จะต้องแก่ตนเองก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตนเองก็จะต้องตายก็ยังเห็นว่าเป็นนิจจังอยู่ยังเห็นว่ายังจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่แก่ยังไม่ตายพอต้องมาสัมผัสกับความจริงนี้ใจถึงกับล่มสลายไปเลย อย่างเมื่อวานนี้ก็มีมีผู้หนึ่งได้มาขอธรรมะเพราะว่าตนเองเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ถึงแก่ความตายได้แต่ไม่สามารถทำใจได้มีความทุกข์ใจมากทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างสม่ำเสมอแต่ไม่เคย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 ร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายมีเพียงอาการสามสิบสองที่ทามาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าไม่ได้พิจารณาไม่เห็นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายไปเวลานั้นก็จะเกิด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 เป็นเพียงร่างกายหรืออาการ32สองนี้เท่านั้นตนนั้นคือใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้าอยากจะเห็นชัดว่าตนคือใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันก็ต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสติให้มากทำใจรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ พอเวลาใจรวมเป็นหนึ่งใจจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวบางทีร่างกายก็หายไปจากการรับรู้ของใจเลยขณะนี้เรารับรู้อยู่ว่าเรามีร่างกายแต่เวลาเราภาวนาทําใจให้สงบเวลาใจรวมลงถ้ารวมลงนึกมากร่างกายก็จะหายไปจากการรับรู้เหลือแต่ใจ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 เป็นอะไรเป็นเวลาที่จะต้องพัดพากจากกันก็คิดว่าตนเองจะต้องตายไปกับร่างกายด้วยแต่พอมานั่งสมาธิจิตรวมร่างกายหายไป เ, ยเราไม่หายเนี่ยเราก็ยังอยู่เราที่รู้นี่เรายังอยู่เรากลับสบายกว่าตอนที่มีร่างกายเสียเองแล้วมันนี้จะไปกลัวตายทำไมไปเสียดายร่างกายทำไม มีร่างกายแล้วมันทุกข์ไม่มีร่างกายมันสบายกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นกันถ้าเราพิจารณาเห็นตายรักในร่างกายแล้วตัดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกาย <c oughs> มันตายได้ใจนี้จะสงบใจจะเย็นจะสบายเหมือนกับ <c oughs> ยกภูเขาออกจากอก เวลามีร่างกายนี้มันหนัก อ, อกหนักใจเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่มันหิวเวลาที่มันทุกเวลาที่มันจะตายนี่มันเป็นเหมือนภูเขาเบีบคขันจิตใจทำให้หนัก อ, อกหนักใจทรมานทุกทรมานใจเพราะไม่รู้จักยกภูเขาอันนี้ให้ออกจาก อ, อกชอบแบกมัน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 เพราะทนอยู่กับสภาพที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้อันนี้เป็นเพราะว่าถูกอำนาจของความหลงครอบงำจิตใจไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิตฐิไม่มีเวลาที่จะปีกวิเวกออกไปภาวนาเพื่อที่จะทำใจให้สงบแยกใจออกจากร่างกาย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 จะทำข้อสอบได้หรือไม่ถ้าพิจารณาอย่างเนื่งงจนมีความรู้นี้ฝังอยู่ในใจได้เห็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความยึดติดในร่างกายนี้ก็จะปล่อยเพราะรู้ว่าเวลาปล่อยแล้วมันสบายเหมือนกับเวลาเข้าไปในสมาธิ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 เขาต้องเป็นอย่างนี้พอไปเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้จะเห็นอริยสัจสีสิ่งที่นักภวนาต้องการให้เห็นก็คือให้เห็นอริยสัจสีนี้เองเห็นว่าความทุกข์ของตนนี้เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ให้เป็นอนิจจังไม่ให้เป็นอนัตตาเท่านั้นเองคืออยากให้ร่างกายอยู่ต่อไป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 ความอยากกับมาคือสติปัญญาสติปัญญามากนี้เห็นตายรักหรือไม่เห็นอ น, นิจจังเห็นห น, น้าหน้าตาหรือไม่เห็นทุกขังหรือไม่ที่เกิดจากความอยากถ้าเห็นตบบมันก็จะต้องกําจัดความอยากเพียงอย่างเดียวเพราะมันรู้ว่ามันไปกําจัดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่มันกําจัดเรื่องตัณหาได้พอกําจัดเรื่องตัณหาได้ความทุกข์ก็หายไป อันนี้ก็บรร ล, ลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาองั้นถ้าใครมาเล่ามาบอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่เป็นนู่นเป็นนี่ถามว่าเห็นอะไรเอถ้าเห็นเทวดาเห็นอเห็นการรัเลือกชาติก่อนเป็นนู่นเป็นนี่เห็นไปมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเพราะความเห็นเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้ะมันต้องเห็นตัณหาว่าเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมา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 แล้วค่อยไปรักษาส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอมันเป็นอะไรหน่อยขึ้นมามันวิ่งหาอยู่้ายาหาหมอหาโรงพยาบาลวุ่นกันไปหมดนีมันต้องหัดไปอยู่ไปปีกเม่ยเว่อยู่คนเดียวเวลามันปวดท้องปวดหัวปวดอะไรตามร่างกายต่างๆแล้วมันไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอนี่มันจะได้รักษาใจไม่ต้องไปห่วงเรื่องร่างกาย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 เพราะตอนนั้นพึ่งอะไรไม่ได้พึ่งใครไม่ได้อยู่คนเดียวอัตตาหิอั ต, อตโนนาโถอไม่ต้องพึ่งใครก็แล้วก็พึ่งไม่ได้ต่อให้มีหมอมีเทวดามีอยู่มียามีอะไรมามันก็รักษาใจเราไม่ได้รักษาได้ก็เพียงแต่ร่างกายก็รักษาได้ชั่วข่าวหายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเป็นใหม่แต่สิ่งที่เราต้องการรักษาไม่ใช่ร่างกาย สิ่งที่เราต้องการรักษาคือใจรักษาใจให้หายจากโลกของความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากที่เกิดจากความหลงอวิชชาความขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิการความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตานี้นี่เองอันนี้แหละคือเรื่องของการที่จะต้องไปปีกเว้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 การมารมมันจะเกิดก็ต่อเมื่อไปเห็นส่วนที่สวยงามถ้าอยากจะดับการมารมมันก็ต้องหมั่นพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนที่หน้ารังเกียขยะขยะงเวลาเห็นแล้วมันเกิดการมารมขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้หละต้องพยายามให้มันมีฝังอยู่ในใจเวลาเกิดการมารมมันจะได้ใช้ไอ้ตัวนี้มาดับมัน การมารมก็เป็นตันหาอีกแบบหนึ่งที่ต้องใช้อสุภะโดยเฉพาะไว้สำหรับใช้ในการดับการมาลมจะเรียกว่าเป็นอ น, นิจจังก็ได้เห็นร่างกายเวลาแก่บ้างว่าเป็นอย่างไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาตายเป็นอย่างไรน่าดูไหมหน่ารักน่าชมไหมอันนี้ ที่หน้าดูน่าชมเพราะเพราะเกิดจากการเสริมสวยเจอ ก, การปรุงแต่งเท่านั้นเองถ้าร่างกายไม่ได้รับการเสริมสวยปรุงแต่งเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยผมเผผาไม่ได้รับหวีหน้าตาไม่สดชื่นเบิกบานดูแล้วเกิดอาการมาล้มหรือเปล่าแล้วดูเวลาที่ตายไปนี้ไปดูคนตายเป็นรดน้ําศพดูแลเกิดอาการมาลมขึ้นมาหรือเปล่า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 ฉัในใดเวลาพิจารณาทางปัญญาไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มไม่ยอมคิดแล้วมันน่องไปคิดเรื่องสวยๆงามๆเรื่องนูน้นเรื่องนี้แล้วก็สแสดงว่าฤทธยาฤทธิ์ของสมาธิหมดแล้วพิจารณาไปก็ไม่ไม่เห็นตายรักแล้วไม่เห็นอสุภะแล้วถ้าไม่เห็นแล้วก็ควรที่จะหยุดแล้วก็กลับไปเข้าไปในสมาธิไปเติมยาฉีดยาสรุปให้กับความรักความ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 บอกว่าถ้ามีภัยอะไรเกิดขึ้นมาให้ส่งสัญญาณพระรูปหนึ่งท่านก็มีลูกวีนกหวีไม่ใช่นูกวีนกห ว, ว, ว, วีไว้เป่าพอแยกกันไม่นั่งภาวนาสักพักหนึ่งก็ได้ยินอีกสองรูปก็ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าขึ้นฮะกาวิ่งไปหาว่าเป็นอะไรท่าบอกให้มันตายหมดแล้วกิเลสตัญหาไม่รู้มันหายไปไหนหมดจิตท่านสงบเก้าวสมาธิได้ นะมันหายแล้วเหรอมันตายแล้วก็ดีสิมันตายแล้วจะเนต้องมาเป่านูกวีทําไมก็มันตื่นเต้นออาโอเคงั้นก็ถ้าคุณถ้าท่านปลอดภัยก็พวกเราก็สบายใจแล้วพวกเรานี่ยังไม่ตายกิเลสเรายังไม่ตายขอกลับไปฆ่ามันก่อนงั้นก็กลับไปนั่งภาวนาอีกสักพักเึ้งเอาเป่านกหวีแล้วเอาที่นี่อะไรมันตายเหรอเมื่อกี้เหบอกมันตายหมดแล้วนี่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 เกิดจากสมุทัยสัตว์คือตัณหาความอยากเห็นนี่โลดทศที่เกิดจากการเจริญของมรรคคือปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอันนั้นแะมันถึงจะเรียกว่าดับอย่างท้าวรนี่คือเรื่องของการไปปีกวิเวกเพื่อที่จะได้บําเพ็ญภาวนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือสาเหตุที่พระท่านจะาลิกกันไปอย่างแท้จริงท่านไปแบบนั้นถ้าจาลิกไปเพราะว่าเบื่ออยู่กับที่ตรงนี้แล้วเบื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไปดังนั้นพระบวชใหม่ท่านจึงถูกบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนเพราะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนต้องไปกราบขออนุญาตท่านก็จะถามเหตุผลท่านก็จะรู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือมันเป็น มันก็จะได้มีภูบาอาจารย์คอยกํากับคอยป้องกันไม่ให้ไปทะเละลายไปเที่ยวเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะคลายความอึดอัดที่จะต้องถูกขังอยู่ในกรงอพอได้ออกไปนอกวัดก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่มันมีชีวิตชีวาเพื่อให้ในายพรานยิงตายนั่นเองอ สัตว์ที่ออกจากกรงก็สัตว์ที่อยู่ในคอกแล้ออกไปนอกคอกนอกกรงไปเจอพวกนายพลันเข้าก็ถูกเขายิงตายพวกที่จิตที่ยังไม่มีปัญญาที่จะกุ้มครองตัวเองพอออกไปสัมผัสกับรูปเสียงกยิธธ่นยลดผปรตพระก็จะถูกการมรตันหายิงตายดีไม่ดีก็ลาศิกขาลาเพศไปเลยอันนี้ดังนั้นจึงต้องควรอยู่กับครูบาอาจารย์ เพราะครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ว่าเรามีกำลังพอดที่จะไปปีกเวกได้หรือยังอยู่คนเดียวได้หรือยังเพราะท่านจะคอยดูกิริยาการของเราเสมอไม่ต้องพูดไม่ต้องถามกันก็ได้ทดสอบได้ด้วยการดูกิริยาการหรือถ้าได้พูดได้คุยก็ยิ่งดีจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องของวันเข้าพรรษา ที่มีการห้ามไม่ให้ไปจาเล็กตามสถานที่ต่างๆให้อยู่กับที่บำเพ็ญอยู่ตลอดระยะเวลาสเดือนให้เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิตามสภาพในช่วงเข้าพรรษานี้ตามวัดตามวาต่างๆที่เป็นวัดปฏิบัติท่านจะงดภารกิจที่ไม่สำคัญต่างๆออกไป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 เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสภีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายยโกผวะอภิวาธนสีิตสะนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลัง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 ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณนาการินะครับการวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธิพอไหมครับก็เหมือนให้ยาสลบนิดเดียวคณิกะมันก็เพียงแค่ขณะหนึ่งเท่านั้นเองคิดว่าคงจะไม่พอคณิกะนี่มันเป็นเหมือนกับหนังตัวอย่าง เราได้สัมผัสรับรู้ว่าความสงบนี้เป็นอย่างไรแต่การที่จะเป็นสมาธิที่สนับสนุนการเจริญปัญญานี้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิจิตต้องสงบได้ตั้งมั่นได้อยู่ได้เป็นเวลานานเช่นเป็นชั่วโมงพอเวลาออกจากสมาธิมามันจะได้เป็นอุเบกขาได้ยาวนานและสามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง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 ดินนี่เปียกชุ่มไปหมดนะฮะอย่างนี้ต้นไม้ก็จะได้รับน้ำผ่านทางรากได้ฉันั้นการจะพิจารณาทางปัญญาให้ได้อย่างต่อเนื่องให้ได้เป็นระยะเวลายาวนานก็ต้องมีสมาธิ ท, ที่ที่ยาวนานเหมือนกันนะฮะดนั้นการทำสมาธิจึงต้องทำให้มากมากก่อนที่จะออกทางปัญญา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 เวลาเราไปชมภาพยนตร์ก็มักจะมีภาพยนตร์ญญตัวอย่างไว้ล่อใจเราให้กลับมาเข้าโรงอีกครั้งถ้าไม่มีภาพยนตร์ญญตัวอย่างเวลาเอาภาพยนตร์ญญใหม่มาฉายเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเราก็อาจจะไม่สนใจมาดูอันนี้ก็แบบเดียวกันคารนี้กะสมาธิก็เป็นความสงบชั่วแป๊บเดียวเหมือนกับภาพยนตร์ญญตัวอย่างเขาฉายให้ดูนิดหน่อยพอให้เกิด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 ใจลอยปากก็ว่าบริกรรมพุโทโธไปแต่ใจก็ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทําอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเจริญสติไม่ถือว่าเป็นการภาวนาถ้ามีเรื่องเข้ามาแทรกก็แสดงว่าไม่ไม่ได้ภาวนาแล้วพอมาแทรกแล้วก็ไปปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ามามันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์ตามมาทําอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ การที่จะสงบนี้จะต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียว อ, อย่างต่อเนื่องถ้าทำได้เพียงห้านาทีจิตก็รวมได้แต่ห้านาทีนี่มันยากเพราะว่าห้าวินาทีมันก็ไปแล้วคําถามข้อต่อไปจะคุณอ nah, ัมภ vale ัยนะครับเรื่องการให้ทาน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 ไม่มีใครถามแล้วขอถามบ้างเลยไม่เราจะขอถามอ่าาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นไงสนุกดีครับ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 ต้องเปลี่ยนจากตัวเราก่อนอ่าถามได้มีถามมาถ้าผิดนะคะถ้าเกิดคิดว่า ด, วด้วยชาตินี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยภาราอะไรหลายๆอย่างเงี้ยไม่เคยตั้งผังให้ตัวเองไปถึงถึงนิพพานหรืออะไรยเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตั้งผังไว้ว่าอยากให้ปฏิบัติตีปฏิจจชอบ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 พระอาจารย์ครับกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพระอาจารย์ความเกลียดความอยากให้ผู้อื่นตายสร้างภพภูมิใดครับพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมครับหมายถึงสังคมในปัจจุบันซ่งที่มีข่าวอยู่ในขนาดนี้ครับที่ก็ความไร้ความเมตตาก็เหมือนเดรัจฉานนี่เอก็เป็นพวกสัตว์ที่จะไปเกิดในบายทั้งหลายผู้ที่ขาดความเมตตาเพราะพระพเจ้าทรงสอนให้เจริญเมตตาเพราะอันที่สองของการ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 ล้องแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอได้แก้วก็โยนทิ้งอยากจะเอากล้วยจ๋ากล้วยจ๋าเวลาสวดมนต์สัพเพส ต, ตาเอาเวลาหหนตุก็สวดกันเหลือเกินพอเจอหน้ากันก็แยกเขี้ยวใส่กันอันนี้ที่เราว่าไม่แผ่เมตตาการสวดนี้เป็นการซ้อมเป็นการสอนให้เราเตือนสติให้เราว่าเราต้องมีความเมตตามีความปรารถนาดี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 ถ้าเขาไม่ไปอย่างพระองคุลิมานเนี่ยไปสาให้ไปตกนรกก็ไม่ไปเพราะท่านทาความดีทีหลังหลังจากที่ทำบาปแล้วท่านก็มาทำความดีท่านก็ไม่ต้องไปตกนรกท่านไปพระนิพพานได้แต่เรื่องของวิบากกรรมนี้เป็นเรื่องของของบุคคลแต่ละคนที่ไม่มีใครที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปสั่งมันได้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 เราเรารักสุขเวทนาแต่เราเกลียดทุกขเวทนาพอเจอตัวนี้ทีไรเราอยากจะไล่มันไปทุกทีนั่นเราต้องหัดรักให้มันเสมอกันรักเท่าเทียมกันอรักทั้งสุขเวทนารักทั้งทุกขเวทนาเพราะเขาเป็นเหมือนลูกของเราอะเราลักแต่ลูกคนนี้แต่เกลียดลูกคนนี้มันก็ไม่ยุติธรรมมันก็จะทําให้เราทุกขใจไปเปล่า ดังก็มีสองวิธีก็วิธีแรกก็วิธีของสมาธิของสติก็เป็นวิธีชั่วล่าววิธีที่สองนี้เป็นวิธีถาวรถ้าเรารับทุกขเวทนาได้แล้วต่อไปเราก็อยู่เขาได้ตลอดเวลาเราจะไม่มีความวุ่นวายความเดือดร้อนกับทุกขเวทนาเพราะใจไม่ต่อต้านใจไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปอั น, นี้วิธีนี้ดีที่สุด าะจะทำให้เรานี่ตายอย่างสบายร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนใจจะรู้สึกเฉยเฉยนะลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูเนเวลาที่เรามาทำบุญนะครับเฮ้เขียนใบภาวนาหรือสองบัปปะเนี่ยครับเราเขียนชื่อบุคคลอื่นโดยที่บุคคลนั้นเขาไม่รับรู้แล้วผลบุญนี้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 เราก็สุขใจแล้วเราก็เอาความสุขใจนี่แหละอุทิศไปคนที่รอรับความอุทิศก็รอความสุขใจนี้เพราะใจเขาทุกด้วยความหิวโหวยพอเราบอกเขาว่าเราได้ทําบุญให้เขาส่งอาหารทิพย์ให้เขาพอเขารับทราบใจเขาก็เกิดความอิ่มขึ้นม า, า, นาอาจารย์ีกเรื่องนึ่งซูทว่าตอนตอนเช้าอะค่ะ ดูดูเราตื่นขึ้นมานะคะเราก็แถวนั้นแถวบ้านเราไม่มีจุดคู่ไม่มีอะไรเลยนะคะและดูดูเราก็ได้กลิ่นคู่กับแรงมากเลยเราไม่ได้คนเดียวนะค ะ, ะ, ะแบบลูกก็ได้กลิ่นอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันมีสองสองอชนิดไงกลิ่นหยาบที่ได้รับรู้ผ่านทางร่างกายและกลิ่นทิพย์ที่ได้รับรู้ผ่านทางใจชีวิตเรานี่เรามีสองส่วนมีส่วนที่หยาบคือร่างกาย ที่ทํามาจากดินน้ํานมไฟและส่วนที่ละเอียดที่เรียกว่ากายทิศเนี่ยใจของเรานี่คือกายทิศอย่างงั้นบางทีอาจจะมีเทวดงเทวดามาปุ่งเปีียนอยู่แถวนั้นก็ได้ที่เราได้ดมกลิ่นการนี้ส่วนใหญ่ท่านบอกจะเป็นกลิ่นของเทวดาอ่าว่ามาเวลาไอเราอยู่บ้านนะไอเราถวายข้าววัดพุธหรือว่าน้ําเนี่ย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 ถ้าอยากจะเห็นเราให้ปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นนี่คือวิธีบูชาอย่างแท้จริงเพราะจะทำให้เราหลูดพ้นจากความทุกข์นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาจากพวกเรา mm. ก็อยากให้พวกเราได้หลูดพ้นจากความทุกข์กันไม่ต้องการข้าวไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการปรจัจจัยเงินทออะไรต่างๆเพราะใจของพุทธเจ้านี้เต็มเปี่ยมไปแล้ว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 เขาบอกว่ามันเป็นอ like ุบายของวายาวัจกรวายาก็คือคนรับใช้พระเขาอยากจะกินข้าวของดีๆเขาก็บอกให้ญาติโยมเวลาทํากับข้าวต้องจัดชุดมาถวายให้พระพุทธรูปพอถวายเสร็จใครเอาไปกินเนี่ยเขวายาวัจกรนี่เรารู Too ้เพราะว่าตอนที่เรายังไม่บวชเราเคยไปอยู่อาศัยวัดแล้วเราก็ไปนั่งกินกับวายาวัจกรนี่ เอาแล้วนะขอขอขอแค่นี้ก่อนนะเาอ่นข้อนะครับ่ในชีวิตประจำวันวุ่นวายมากอาจารย์ทีนี้ถ้าเราเลือกทำเจริญสติแทนสวดมนต์ได้ไหมคะคือกลับบ้านสวดมนต์ไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยก็คือการเจริญสติอย่างอนึางไงค่ะเราก็พุทโธไปในใจอยู่ตลอดเวลาก็ได้ระหว่างวันอ่าแล้วจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่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 พราเวลาเรามานั่งสมาธิเราจะมีสติทำให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเอาแล้วนะสวนฟ้าทําท่าจะตกแนละ้วกอให้ญาติโยมนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ